แนะนำบทอัลวาเกียบทอัลวาเกียเป็นบทมักกียะห์มี 96 องค์การที่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆในวันกิยามะห์และสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นความหวาดกลัวการแบ่งมนุษย์ออกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มขวากลุ่มซ้ายและกลุ่มแนวหน้าบทนี้ได้กล่าวถึงชะตากรรมของทุกๆกลุ่มและสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับพวกเขา คือการตอบแทนอย่างยุติธรรมในวันแห่งการตัดสินนอกจากนั้นยังได้พิสูจน์หลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงการมีและความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์และเดชานุภาพอย่างสมบูรณ์ของพระองค์ในการสร้างและการประดิษฐ์อย่างสวยงามที่สุดในการสร้างมนุษย์ในการให้พืชพันธุ์ต่างๆเจริญเติบโตในการให้น้ําฝนตกลงมาและบทได้กล่าวถึงคัมภีร์อัลกุรอาน ว่าเป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่ง 3 โลกและสิ่งที่มนุษย์จะได้พบกับความหวาดกลัวและความหนักใจในขณะใกล้จะตายบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบุคคล 3 จําพวกพวกเขาเหล่านั้นคือกลุ่มที่มีความสุขกลุ่มที่มีความทุกข์และกลุ่มแนวหน้าที่แข่งขันกันไปสู่ความดีคือพวกที่จะรับความโปรดปรานบทนี้ได้ชี้แจงถึงบ้านปลายของทุกๆกลุ่มทั้งหมดนี้ ได้กล่าวไว้อย่างละเอียดตามที่ปรากฏไว้อยู่ในตอนต้นๆของบทและได้กล่าวสรรเสริญถึงคุณงามความดีของกลุ่มแนวหน้าที่มีความใกล้ชิดทั้งในตอนเริ่มและตอนจบของบทบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออีดาวะกออะติลวากิอะฮ์เมื่อเหตุการณ์วันกิยามะห์ได้เกิดขึ้นไลซะลิวะกออะติฮากาซิบะฮ์ ไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธต่อเหตุการณ์ของมันต่อเหตุการณ์นั้นทําให้กลุ่มชนหนึ่งต่ําต้อยชนอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่งเมื่อแผ่นดินถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและบรรดาภูเขาได้แตกสลาย แล้วมันกลายเป็นผุยผงปลิวว่อนและพวกเจ้าจะแยกออกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มทางขวาผู้ที่รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใครและกลุ่มทางซ้าย ผู้ที่รับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางซ้ายคือใครวัสซาบิกูนัสซาบิกูนและกลุ่มแนวหน้าคือกลุ่มแนวหน้าอูลายิกัลมุกอรรอบูนเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ใกล้ชิดฟีญันนาตินนัย ในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสราญเป็นกลุ่มชนจํานวนมากจากชนรุ่นก่อนๆและเป็นกลุ่มชนจํานวนน้อยจากชนรุ่นหลังๆอะลาซุรุรมอฎูนะมุตตะกีนะอะลัยฮามุตะกอบิลีนโดยอยู่บนเตียงที่ประทับด้วยทองคํา พวกเขานอนเอกเขนกอยู่บนนั้นโดยหันหน้าเข้าหากันมีเด็กๆที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันวนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไปด้วยแก้วใหญ่และแก้วมีหู และจอกใส่สุราที่รินมาเลายุซัดดะอูนอันฮาวะลายันซิฟูนพวกเขาจะไม่มึนศีรษะและไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้นวะฟากิฮะตินมิมมายะตัค็อยยะรูนและผลไม้หลากชนิดตามแต่พวกเขาจะเลือกสัตว์วะลัห์มิฏอยรินมิมมายัชตะฮูน là เนื้อนกที่พวกเขาอยากจะรับประทานและหญิงสาวที่มีในตาคมสวยงามประหนึ่งไขมุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดีทั้งนี้ เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเค้าได้เคยกระทำไว้ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما ในสวนสวรรค์นั้นพวกเค้าจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและเป็นบาป إلا سلاما سلاما เว้นแต่คำกล่าวว่าสันติสันติ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَنْ أَصْحَابُ الْيَمِينِ และกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางขวาเป็นอย่างไรพวกเขาอยู่ภายใต้ต้นพุทธสาที่ไร้น้ำและต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจรดโคนต้นจนมองไม่เห็นลำต้น และร่มเงาที่แผ่กระจายและน้ําที่ไหลรินตลอดเวลาและผลไม้อันหลากหลายโดยไม่หมดสิ้นตามฤดูกาลและไม่เป็นที่ต้องห้ามและเตียงนอนที่ถูก ให้ยกสูงขึ้นอินนาอาชานาฮุนอินชาความจริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษเราทําให้พวกนางเป็นสาวพรหมจรรย์เป็นที่น่ารักชื่นชมแก่ผู้ครองอยู่ในวัยสาวคราวเดียวกัน สำหรับกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาซุลละตุมมินัลเอาวัลีนวะซุลละตุมมินัลอาคิรินเป็นกลุ่มชนจํานวนมากจากชนรุ่นก่อนๆและกลุ่มชนจํานวนมากจากชนรุ่นหลังๆวัลอัศฮาบอัชชิมาลมะอัศฮาบอัชชิมาลฟีซะมูมินวะฮัมิมและกลุ่มทางซ้าย ผู้ใดรับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางซ้ายเป็นอย่างไรอยู่ในลมร้อนและน้ํากําลังเดือดวาซิลลิมมียะฮุมอยู่ใต้ร่มเงาของควันที่ดําทึบลาบาริดวะลาคารีมไม่ร่มเย็นและไม่เป็นที่น่าชื่นชมอินนะฮุมกานูกับลาซาลิกมุตเราฟีนแพ้จริง แต่การก่อนนั้นพวกเขาเป็นพวกเจ้าสําราญและพวกเขาเคยดื้อรั้นในการทําบาปใหญ่อยู่เป็นนิรและพวกเขาเคยกล่าวว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะกลายเป็นดินและกระดูกป่นแล้ว เราจะถูกให้ฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรืออาวาบานัลเอาวัลตลอดชนบรรพบุรุษของเราแต่การก่อนนั้นด้วยหรือกุลอินนัลเอาวัลีนวัลอาคิรีนลามัจมูอูนอิลามีกอตยอมมัมนุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้จริงชนรุ่นก่อนและชนรุ่นหลังๆนั้น ฉันถูกรวบรวมไว้จนกระทั่งถึงวันอันเป็นที่รู้จักกันดีคือวันกิยามะห์ตุมไมน์นัคุมไอฮัลลูนัลมุกัซซิบูนแล้วรวมทั้งพวกเจ้าอีกด้วยโอ้บรรดาผู้หลงผิดบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายลากีนูนะมินชะจรินมินซักกุมแน่นอนพวกเจ้าจะเป็นผู้กินต้น زقوم تمارئون منها البطون وพวกเขาจะใส่มันเข้าเต็มท้อง فشربون عليه من الحميم وพวกเขาจะดื่มน้ำที่กำลังเดือดตามลงไป فشربون شغلا هيم وพวกเขาจะดื่มน้ำเช่นกับการดื่มของอูฐที่กระหายน้ำจัด هذا نزلهم يوم الدين นี่คือที่พำนักของพวกเขาในวันแห่งการตอบแทนเราได้บังเกิดพวกเจ้ามาฉะนั้นเหล่าพวกเจ้าจึงไม่ยอมเชื่อวันฟื้นคืนชีพพวกเจ้าเห็นสิ่ง อาสุจิที่พวกเจ้าลังออกมาแล้วไม่ใช่หรือเออเออทุมตะคหลุกูนฮุมอัมนะห์นุลคอลิกูนพวกเจ้าสร้างมันขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้สร้างนะห์นุกัดดัรนาไบนะกุมุลเมาตวะมานะห์นุบิมาสบูกีนเรานั้นเป็นผู้กำหนดความตายขึ้นในระหว่างพวกเจ้าและเราจะไม่ถูกขัดขวางอะลาอัม وَنُبَدِّلُ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئُكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ในการที่เราจะเปลี่ยนบุคคลเยี่ยงพวกเจ้าและเราจะให้พวกเจ้าเกิดขึ้นมาอีกในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ และโดยแน่นอนพวกเจ้าได้รู้มาแล้วถึงการเกิดครั้งแรก แล้วฉไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่คล้อยควรเออ فَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ พวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหว่านแล้วไม่ใช่หรือเออ أَنْتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ พวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ หากพวกเราประสงค์ให้มันหักเป็นชิ้นๆแล้วแน่นอนเราก็ย่อมทํามันได้แล้วพวกเจ้าคงจะประหลาดใจอินนานุมุกรุมพวกเจ้าจะกล่าวขึ้นว่าแท้จริงเราได้รับความหายนะแล้วดันนะห์นุมะห์รุมไม่เพียงแต่เท่านั้นเราขาดแคลนปัจจัยเพาะปลูกอีกด้วยอะฟะรอยตุลมาลลซีตัชรบ พวกเจ้าเห็นน้ำที่พวกเจ้าดื่มแล้วไม่ใช่หรือเออเอ็งฑุมอนซัลตุมูฮูมินัลมุซนิอัมนะห์นุลมุนซิดูนพวกเจ้าเป็นผู้หลั่งมันลงมาจากก้อนเมฆหรือว่าเราเป็นผู้หลั่งมันลงมาเรานะชาอูจอัลนาฮูอะจาจันฟะลาอูลาตัชกุรอนหากเราประสงค์เราจะทำให้มันเค็มจัด แล้วฉะนั้นเหล่าพวกเจ้าจึงไม่กระทันอยู่เออ ฝَرَئْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรือเอออั่ทุมอันชาตุมชะจเราะตฮาอัมนะห์นุลมุนชิอู พวกเจ้าเป็นผู้ทำให้ต้นไม้ของมันงอกงามขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกงามขึ้นมาเราได้ทำให้มันมีขึ้นเพื่อเป็นการเตือนสติและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางรอนแรมตัสบิหฺบิสมิร็อบบิกัลอซีม ดังนั้นเจ้าจงสรรดิ์ดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิดวะอินนะฮูละกัสมุลละอ์ตะอ์ลามูนอะซีม และแท้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่หากพวกเจ้ารู้อินนะฮุลกุรอานุนคารีมฟีกิตาบินมักนูนนั่นคือคัมภีร์อัลกุรอานอันทรงเกียรติซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้ลายะมัสซุฮูอิลัลมุตะฮฮิรูนไม่มีผู้ใดจะแตะต้องคัมภีร์อัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นมันถูกประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอะซะบิฮาดัลฮะดีษอั๊นตุมมุดฮินูนและด้วยเรื่องนี้ อัลกุรอานกระนั้นหรือที่พวกเจ้าเยอะอย่างว่าจะ جعلون رزقكم انكم تكذبون และทั้งๆที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพมาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์กระนั้นหรือแล้วเมื่อวิญญาณได้มาถึงคอหอยกําลังจะตาย แล้วพวกเจ้าจะยังสามารถยับยั้งมันไว้ได้กระนั้นหรอกในขณะนั้นพวกเจ้ากำลังมองดูอยู่และเราอัลเลาะห์นั้นอยู่ใกล้ชิดเขายิ่งกว่าพวกเจ้าแต่ทว่าพวกเจ้ามองไม่เห็นมาลาอิกะห์ของเรา तुम غير مدينين حقا พวกเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใด กับอัลเลาะห์รอฮูวะไรฮานูวะญันนะตุนะอิมความอิ่มเอิบสดชื่นและสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานก็จะได้แก่เขาวะอัมมาอินกานะมินอัศฮาบิลยะมีนละหากว่าเค้าอยู่ในกลุ่มทางขวาผู้ใดรับบันทึกด้วยมือขวาละสะลามุลละกะมินอัศฮาบิลยะมีน ความปลอดภัยก็จะเป็นของเจ้าในฐานะเป็นผู้อยู่ในกลุ่มทางขวาและหากว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธผู้หลงฐาน สิ่งที่เตรียมไว้สำหรับพวกเขาก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือดและเปลวไฟที่ลุกไหม้อินนาฮาดาละฮัวฮักกุลยะกินแท้จริงนี่แหละคือความจริงที่แน่นอนวัสับบิหฺบิสมิร็อบบิกัลอะซีมดังนั้นเจ้าจงสรรดิ์ศรีด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด